คอลัมน์นิยายเรื่องสัง้นอิงธรรมะเรื่องขี้แมวกับแฟนฉันโดยบุญรักเช้าวันนี้เป็นวันหยุดแฟนผมตื่นก่อนแล้วออกไปหน้าบ้านสักพักก็ผลุนผันเข้ามาลากผมลงจากเตียงด้วยอารมณ์แบบว่าหงุดหงิดเต็มที่พี่มาดูอะไรนี่เร็วผมปล่อยให้เธอลากไปหน้าบ้าน ท, ทั้งทงที่ยังงวงเงียอยู่วันหยุดแท้ๆจะนอนให้ตะ ว, วันมันเลียก้นสักหน่อยก็ไม่ได้ ถึงหน้าบ้านแฟนผมเธอชี้ให้ดูกองขี้แมว 3-4 สี่กองบนสนามหญ้าผมเช่าบ้านหลังนี้ได้สามเดือนกว่าเป็นทาวน์เฮาส์เล็กๆที่มีพื้นที่ว่างข้างที่จอดรถอยู่นิดหน่อยเลยเอาไม้กระถางและหญ้ามาลงไว้ไม่เคยเลี้ยงแมวหรือสุนัขดังนั้นการมีกองของเสียแมวเกลื่อนกลาดอยู่ในบ้านจึงดูเป็นเรื่องแปลกแมวบ้าที่ไหนเนี่ยจับได้จะเคียนให้ตายเลยแฟนผมบ่นออกมาอย่างเหลืออด แฟนผมดูจงหุนห ง, งิดเป็นพิเศษเธอเป็นคนจมูกไวหอมมากเหม็นมากอยู่เป็นนิสัยระหว่างพูดยังเอามืออุดจมูกอยู่เลยส่วนผมไม่หงุดห ง, งิดเท่าไหร่ยังพอทนไหวแค่แปลกใจที่ว่าแมวที่ไหนมาทําธุระไว้สัทั่วสนามญ้าแบบเนี้ยเมื่อเช้าวันก่อนตอนออกมารดน้ําต้นไม้ผมยังไม่เห็นเลยพี่เก็บให้หมดเลยนะแฟนผมหันมาสั่งผมซะอย่างนั้นรดน้ําต้นไม้อย่างไงอ่ะแมวมาขี้ไว้สามสี่วันแล้วยังไม่เห็นอีก เธอบ่นใส่ผมด้วยความหงุดหงิดและเดินเข้าบ้านไปผมชินกับการถูกประบายอารมณ์ใส่แบบนี้หรือว่าปล่อยวางได้อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่เดาว่าคงเป็นอย่างแรกมากกว่าก็บียวรถน้ำต้นไม้มาหลายเช้าแล้วเหมือนกันเลยไม่ทันเห็นกองขี้แมวระหว่างกำลังคิดจะหาอะไรมาตักขี้แมวออกจากสนามหญ้าหางตาเหลือไปเห็นเจ้าของบ้านข้างๆอุ้มแมวขาวเข้าบ้านเหมือนกลัวผมจะเห็นแมวตัวนั้น เช่รอยจะเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองที่สร้างปัญหาให้ผมต้องกลายเป็นเทศบาลจำเป็นผมเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาบ้างเวรกรรมอะไรนะนอนอยู่ดีๆถูกปลุกให้มาเก็บขี้แมวซะอย่างนั้นเลี้ยงก็ไม่ดีเลี้ยงบ้านท่านมีทำไมท่านไม่ทําธุระซะที่บ้านท่านมาทำบ้านผมเลอะเทอะทำไมพอคนเลี้ยงรู้ว่าแมวของตัวเองมาถ่ายไว้เต็มบ้านเขาจะขอโทษสักคก็ไม่มีอุ้มจาเลยหนีเข้าบ้านเฉย แฟนผมก็อีกคนเจอแล้วเก็บซัก็หมดเรื่องต้องเป็นลาาผมจากเตียงอันแสนนุ่มสบายแถมยังใช้ผมเป็นที่ระบายอารมณ์ซะอีกผมรำพึงรำพันในใจวนไปวนมาระหว่างที่เอาครีมขี้บฐานขี้เก็บขี้แมวจากสนามหญ้าไปใส่ไว้ในโคนไม้กระถางหลังจากวันนั้นสนามหญ้าหน้าบ้านผมก็กลายเป็นสุขาของแมวขาวข้างบ้านไปแบบไม่เต็มใจเป็นอย่างยิ่ง มันทําให้ผมต้องมีหน้าที่เก็บขี้แมวเพิ่มจากรถน้ําต้นไม้ซึ่งทําอยู่เดิมในทุกเช้าในวงเล็บเฉพาะเช้าที่ขยันนะครับวงเล็บปิดวันไหนลืมโดยขี้เกียจเก็บขี้แมวจนปล่อยให้แฟนผมมาเป็นคนเจอขี้แมวเข้าวันนั้นผมไม่ได้ถูกเอตโรลั่นบ้านไอแมวเจ้ากรรมก็ช่างขยันซะจริงๆไม่เคยเว้นให้ผมได้ว่างเลยสักวันจากหนึ่งวันเป็นสองวันจนเป็นกว่าหนึ่งสัปดาห์ละ จากยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะเป็นแมวขาวข้างบ้านหรือไม่จนมีวันหนึง่งเห็นมันปล่อยทุ่นระเบิดกลางสนามหญ้ากับตาจึงเันที่แน่ใจว่าเป็นมันแน่ๆความงุดหงิดในอารมณ์เริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกรามไปยังเจ้าของแมวเจอหน้ากันเมื่อไหร่ผมอดทําหน้าตาขึงเครียดใส่เข้าไม่ได้หน้าตาบุบเบึ้งของผมคงรามไปยังที่ทํางานวันนี้มาหาสนันจึงเข้ามาทักผมแบบตั้งใจงุนงิดอะไรมาลรอพี่ สงสมวันเนี่ยหน้าพี่ดีกว่าบ้านท้ายผมหน่อยเดีมาหาสนันทักผมก็งุดหงิดแมวข้างบ้านน่ะสิมื่อขี้ทิ้งไว้ให้ข้าเก็บอาทิตย์กว่าๆแล้วเนี่ยผมตอบสนั่นไม่ได้เป็นมาหาจริงๆหรอกนะครับแต่ความที่เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมที่เพื่อนฝูงพึ่งพาได้เสมอติดขัดข้อธรรมะเรื่องใดก็ถามได้เรื่องทุกข้อถ้ามาหาสนั่นไม่รู้เขาก็จะไปนค้นมาตอบให้ฟังจนได้แถมยังเป็นหัวเรียวหัวแรงในงานบุญต่างๆอยู่บ่อย เพื่อนฝูงจึงยกเป็นมหาและมอบตำแหน่งมคณายกประจำบริษัทให้จ้ตัวเองก็ไม่ใส่ใจอะไรมากนะักใครอยากเรียกอะไรก็เรียกปะสุดท้ายทุกคนจึงเรียกเขาว่ามหาสนันกันทั้งในและนอกบริษัทผมมีวิธีให้พี่หายงุนงิดนะขึ้นอยู่กับว่าพี่จะเชื่อผมและจะทำตามวิธีของผมหรือเปล่ามหาสนันบอกผมทาไงวะไหนลองว่ามาสิผมถามด้วยความอยากรู้ และรู้สึกหมุนหญิดกับอารมณ์บูดบูดแบบนี้เต็มแก่มหาสนันอธิบายให้ผมฟังซี่ยืดยาวผมฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็ตั้งใจว่าจะลองเอาวิธีที่เขาบอกมาลองใช้ดูก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเช้า ว, วันนี้เป็นวันหยุดอีกครั้งหนึง่งแฟนผมตะโกนเรียกแต่เช้าให้ไปเก็บขี้แมวเพราะเดี๋ยวสายๆจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านผมลุกจากเตียงล้างหน้าล้างตาแล้วเตรียมไปเก็บขี้แมวใส่โคนไม้เหมือนทุกวัน พอถึงสนามหญ้าจึงเห็นว่าวันนี้ขี้แมวไม่เป็นกองอย่างทุกวันดูเป็นก้อนเล็กๆโรยไว้เป็นทางเหมือนท่านแมวท่านเดินไปขี้ไปอย่างไงอย่างนั้นดูสิดูมันทําเก็บวันลกระกองก็รําคาญพอแรงอยู่แล้วนี่ดันทําเป็นกองเล็กกองน้อยเรียร่าดไปหมดผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ขีบขี้แมวไปใส่โคนไม้ทีละก้อนทีละก้อ น, อนยังเก็บไม่ทันเสร็จ สายตาเหลือไปเห็นเจ้าของแมวข้างบ้านกำลังชะงวกหน้ามองข้ามรั้วมาดูผมเก็บขี้แมวอยู่พอดีรู้ไไมมมว่าาาฉันจนจกย ยังเก็บไม่ทันเสร็จสายตาเหลือไปเห็นเจ้าของแมวข้างบ้านกำลังชะโ ง, งกหน้ามองข้ามรั้วมาดูผมเก็บขี้แมวอยู่พอดีเท่านั้นเองผมก็คล้ายลูกโป่งที่ถูกสูบลมจนเต็มแล้วระเบิดออกความหงุดหงิดเพิ่มขึ้นทวีจนกลายเป็นความโกรธแน่นเต็มอกนึกจะเอาขี้แมวระเลงหน้าเจ้าของข้างบ้านสักทีนึงโทษฐานที่ปล่อยปะละเลยในการดูแลแมวจนคนอื่นเขาเดือดร้อนในช่วงขณะ ที่มือขยับจะเอาครีมขีบ ข, ขี้ป้ายหน้าจะของแมวข้างบ้านคำพูดหลายวันก่อนของมหาสนันก็ผุดขึ้นในใจผมได้ทันเวลาหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดมหาสนันบอกผมอะไรของเองวะหงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิดผมถามชุนฉุนอย่างไม่เข้าใจก็คืออย่างนี้นะพี่ผมจะขยายความให้ฟังคือเวลาที่คนเราหงุดหงิดเนี่ยการจะตัดสินใจทําอะไรมันจะผิดพลาดไปหมดเพราะอารมณ์โกรธ จะเป็นผู้ชักนำตัวเราแทนที่จะใช้ปัญญานำเหมือนตอนที่ไม่โกรธดังนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าตอนเนี้เรากำลังหงุดหงิดจะทำให้เราตั้งสติได้ไม่เผลอทำอะไรผิดๆออกไปนอกจากนี้นะพี่การรู้ตัวเองหงุดหงิดอยู่จะเป็นการตัดเชื้อที่สร้างความหงุดหงิดทำให้อารมณ์ห ง, งุดหงิดนั้นสลายตัวไปเองยังงงๆอยู่วะมันเป็นยังไงกันวะไอ้แค่รู้ก็หายหงุดหงิดได้เนี่ย ผมยังคงงงตึบอยู่เหมือนเดิมก็ยกตัวอย่างนะพี่ตอนที่พี่เก็บขี้แมวอยู่อ่ะพี่หงุดหงิดเพราะอะไรพี่คงรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่หรือรู้สึกเหม็นหรือรู้สึกอยากตบันหน้าคนข้างบ้านความรู้สึกแบบนี้ทำให้พี่หงุดหงิดเพราะเป็นความอึดอัดขัดข้องที่ไม่ได้อย่างใจพี่แต่พอพี่มารู้อยู่กับความหงุดหงิดพี่จะไม่คิดว่าการเก็บขี้แมวเป็นหน้าที่ของพี่หรือเปล่าขี้แมวเหม็นหรือไม่เหม็น ควารู้สึกอยากตะ บ, บันหน้าคนก็ไม่มีพวกเนี้ยเป็นเชื้อของความหงุดหงิดเมื่อขาดเชื้อความหงุดหงิดก็สลายตัวไปคล้ายกับจะพอรู้เรื่องขึ้นมาบ้างวะ่ะแต่วิธีการที่เอ็งบอกข้ามันเนี่ยไม่เห็นจะทําให้แมวบ้าข้างบ้านเลิกเข้ามาขี้ในบ้านข้าเลยนรวะ่ะผมบอกวิธีให้พี่หายหงุดหงิดนะเรื่องอื่นพี่คิดเอาเองมั่งสิคนอะไรจะต้องให้บอกซะทุกเรื่องมาหาสนานพูดไปยิ้มไปแบบกวน เออไอเวนบอกมาก็ไม่เห็นจะเข้าใจเอ็งจะมากวนเท้าอีกเดี๋ยวปัดผมขยับทําเป็นจะเตะมหาสนั่นซะอย่างนั้นรู้จักกันมานานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่ได้ฉายามาหาเลยด้วยซ้ํามหาสนั่นขยับทําท่าหลบพอเป็นพิธีพี่ลองทําดูว่แล้วกันปรากฏขึ้นมาก็รู้ว่าเฉยๆไม่ต้องทําไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดว่หายโกรธแล้วค่อยคิดค่อยพูดค่อยทําได้ผลยังไงไมาเล่าผมฟังบ้างกันอาการขยับมือของผมค้างไว้อย่างนั้น ผมรู้สึกได้ถึงความโกรธอัดอยู่เต็มอกแต่ความที่นึกถึงคำพูดของมหาสนันขึ้นมาได้และหยุดการกระทำทุกอย่างไว้อย่างนั้นผมรู้สึกได้ถึงมือที่สั่นน้อยๆด้วยความโกรธอย่างเต็มที่ใจหนึ่งอยากจะเอาขี้แมวป้ายหน้าเขาอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ดีคล้ายใจถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแต่และฝ่ายพยายามดึงเราไปเข้าพวกให้ได้เป็นอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งจึงรู้สึกได้ว่า ความโกรธเริ่มคลายตัวลงเหลือบมองไปที่รั้วอีกครั้งก็พบว่าเจ้าของแมวข้างบ้านหายไปจากสายตาแล้วความโกรธในใจผมก็เริ่มหายไปจนเกือบหมดเช่นกันเหลือเพียงความหงุดหงิดเล็กๆฟุ้งรบกวนอยู่เบาๆเหมือนควันไฟเบาบางที่เหลือจากเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เจ้าของแมวข้างบ้านคงเห็นท่าไม่ดีจึงหลบหน้ากลับเข้าบ้านไปผมหันมามองขี้แมวที่ยังคงอยู่ในคีมคีบฐาน ความหงุดหงิดทาท่าจะวูบวาบลูกติดไฟขึ้นมาอีกเลยตัดสินใจว่าอย่าพึ่งมองเจ้าจําเลยที่หนึ่งก้อนนี้คงจะดีกว่าสายตาจึงสอดสายไปยังไม้กระถางที่ปลูกไว้จนไปพักอยู่ที่ช่อดอกเข็มสีแดงสดช่อหนึ่งสวยดีเหมือนกันนะต้นเข็มของผมไม่ได้ออกดอกให้เห็นมานานเท่าไหร่ก็จําไม่ได้แล้วหันไปดูกุหลาบก็กาลังออกดอกตมเล็กๆสัก ว, นวนันสองวันคงบานล้อแข่งกับเข็มแดงของผม เข็มแสบกับเข็มชมพูก็กำลังชูช่อดอกตูมเตรียมผลิบดอกให้ผมได้ชมเช่นกันหันกลับมาจ้องดูขี้แมวในคีมคีบฐานอยู่พักใหญ่จึงเพิ่งรู้สึกได้ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบหลา ย, ลา ย, ลายวันที่ผมเห็นขี้แมวโดยที่ไม่มีความหงุดหงิดอยู่ในใจใช่ดอกไม้หรือเปล่าที่ทำให้ผมหายโกรธลองนึกย้อนกลับไปก็พบว่าไม่ใช่ความโกรธของผมเริ่มลดลงตอนที่ผมได้สติว่า ใจฝ่ายหนึง่งอยากเอาขี้แมวป้ายนาเจ้าของบ้านข้างบ้านหรือว่านี่คือสิ่งที่มหาสนั์บอกว่าให้รู้ความโกรธไว้เฉยๆแล้วมันจะหายไปเองผมมองขี้แมวสลับกับดอกเข็มอยู่พักหนึง่งพลันความคิดคล้ายสว่างวาบผุดขึ้นมาจากกลางใจเจ้าขี้แมวนี้เองที่ได้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้ไม้ดอกของผมชูช่อดอกสวยๆอวดผมอยู่อย่างเนี้ยผมไม่เคยให้ปุ๋ยไม้กระถางของผมเลย ได้แต่รดน้ําบ้างในรดน้ําบ้างบางทีรดน้ําไม่เขาวันเว้นสองวันยังมีตั้งแต่เจ้าแมวขาวข้างบ้านมาทําธุระไว้ให้เก็บทุกเช้าผลก็คือต้นไม้ของผมได้รับการรดน้ําจากผมทุกวันไปด้วยขี้แมวยังเป็นปุ๋ยให้ผมได้ชมดอกไม้สวยๆหลังจากที่ไม่ได้เห็นดอกของเขามาหลายเดือนผมเก็บขี้แมวที่ยังเหลืออยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านใส่โคนไม้จนหมดด้วยความแจ่มใสเป็นพิเศษความหงุดหงิดในการเก็บขี้แมว ทุกแทนที่ด้วยความยินดีที่ได้ปุ๋ยฟรีและความหวังที่จะได้เห็นสวนไม้ดอกเล็กๆของผมเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ น, นะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมไม่เคยหงุดหงิดในการเก็บขี้แมวอีกเลยกลับกลายเป็นว่าทุกเช้าผมออกไปหน้าบ้านด้วยความหวังว่าจะได้เจอขี้แมวสักกองหนึ่งบางวันหาขี้แมวไม่เจอกลับทาให้ผมหงุดหงิดซะด้วยซ้าไป วันไหนเจอกองใหญ่ยิ่งอารมณ์ดีเป็นพิเศษเวลาขี้เก็บขี้แมวแต่ละก้อนนอกจากไม่งุนงิดแล้วกลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำตอนนี้สวนไม้ดอกบ้านผมแข่งกันออกดอกสลอนสวยคราวไปหมดเป็นความมหัศจรรย์อย่างใหญ่หลวงจริงๆนะครับเพียงมุมมองที่พลิกไปนิดเดียวผลของอารมณ์กลับกลายเป็นคนละขั้วได้ขนาดนี้ผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้มหาสนั่นฟังเขาอนุโมทนาสาธุสยกใหญ่ แถมยังชี้ให้ผมเห็นด้วยว่าผมเฉียดเข้าใกล้คุกไปแค่ไหนตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจจนเขาอธิบายผมว่าวันนั้นถ้าผมเอาขี้แมวป้าหน้าคนข้างบ้านเข้าจริงๆเขาอาจแจ้งตำรวจมาจับผมผมอาจต้องเข้าไปนอนกินข้าวแดงอยู่ในคุกก็ได้คงไม่ได้อยู่บ้านและชื่นชมดอกไม้สวยเหมือนอย่างทุกวันนี้และถึงแม้ว่าเจ้าของแมวจะไม่เอาเรื่องผมจนเข้าคุกแต่การที่เปิดการวิวาทกันกับคนข้างบ้าน ก็เหมือนการสร้างนารกไว้ที่บ้านของคู่กรณีทั้งคู่ยังไม่มีวันอยู่อย่างสงบสุขได้ผมไม่เห็นด้วยในข้อหลังสุดนี้เท่าไหร่ผมยั้งมหาสนันไปว่าก็แมวของเขาเป็นฝ่ายมาทําบ้านผมเลอะเทอะเขาควรเป็นฝ่ายเดือดร้อนด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ผมเดือดร้อนอยู่คนเดียวผลย่อมไหลามาแต่เหตุ น, นะพี่มหาสนันบอกพี่ต้องเคยบิดทำให้บ้านใครเขาเลอะเทอะไว้การถึงส่งมาพี่ต้องโดนใครมาทําให้บ้านพี่เลอะเทอะบ้างเฮ้ย ข้ามีเคยไปทําบ้านเขาโลกสนิดเลยนะต่างคนต่างอยู่คุยกันสักคํายังไม่เคยผมแยง้งไม่ใช่แบบนั้นพี่แบบนั้นเขาเรียกว่าเวนกรรมน่ะไม่จําเป็นต้องตาต่อ ต, อตาฟันต่อฟันแบบนั้นหรอกแบบว่าพี่อาจเคยเผลอคว่างหญินไปโดนหัวใครมาสักหลายชาติก่อนพอมาชาติเนี้ยเลยมีกิ่งไม้ร่วงใส่หัวพี่อะไรประมาณเนี้ยมหาสนันยกตัวอย่างแล้วแบบเนี้ถือว่าพี่หมดกรรมหรือยังอ่ะผมถามมหาสนันด้วยความอยากรู้ ตอบไม่ได้หรอกพี่แต่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งว่าผลของกรรมที่ทำให้บ้านพี่เลเอะเทอะไม่มีผลกับพี่แล้วขี้แมวไม่ทําให้พี่หงุดหงิดได้อีกตรงกันข้ามกลับทําให้พี่สบายใจอย่างเนี้ยอาจเป็นได้ว่าผลกรรมที่ไม่ดีออกผลกับพี่ไม่ได้พี่ลองคิดดูสิจะมีใครมีความสุขกับการเก็บขี้แมวเหมือนอย่างพี่เป็นเล่าให้ใครฟังใครเขาจะเชื่อผมเห็นด้วยกับมหาสนานในเรื่องนี้ ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่เชื่อว่าใครจะบ้ามีความสุขกับการเก็บขี้แมวแต่ข้าก็ยังต้องเก็บขี้แมวอยู่ดีท่านยังไงแมวข้างบ้านถึงจะเลิกข้ามรั้วามาขี้บ้านข้าวะผมถามมาหาสนัน่นไม่ใช่กิจของผมมาหาสนั่นพูดจบปุ๊บก็ขยับหนีผมปับ๊บคงจะกลัวผมเหวี่ยงแข้งใส่ผมไม่ทันจะได้คิดทําอะไรเขาหรอกครับกําลังคิดอยู่ว่าจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้เจ้าแมวขาวข้างบ้านเลิกใช้สนามหญ้า บ้านผมเป็นสุขาสถีที่จริงผมคิดมาตั้งนานแล้วนะครับไอการหาวิธีที่จะปราบขี้แมวเนี่ยจะบอกเจ้าของแมวให้เขารู้เขาจะได้กันแมวเขาไว้ก็ไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะจริงๆเขาก็รู้อยู่ว่าแมวของเขาเข้ามาปลดทุกข์ในบ้านผมถ้าเขาจะจัดการให้ผมเขาก็คงทำไปนานแล้วจะกันแมวไม่ให้เข้าบ้านก็ไม่รู้จะ ก, กันยังไงแมวนะครับท่านผู้อ่านปีนนโนนดอดนี่ข้ามน่นได้ทั่วไปหมด เคยคิดจะหาหมามาไล่แมวก็กลัวว่าต้องมาเก็บขี้หมาแทนซะอย่างนั้นคิดวนไปมาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ถึงผมจะไม่หงุดหงิดกับขี้แมวแล้วแต่การไม่มีแมวมาขี้เลอะบ้านก็ถือว่าเป็นลาบที่ประเสริฐกว่าจริงไหมครับเมื่อยังคิดหาวิธีจัดการแมวขาวข้างบ้านอย่างไม่ได้ก็ได้จะปล่อยให้มันเป็นไปให้ผมนี่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าไหร่ละแต่ที่ยังเดือดร้อนอยู่ก็คือแฟนผมนั่นแหละความจมูกไวของเธอ คงทำให้เธอรับลูกกลิ่นของเสียของท่านแมวได้ดีเป็นพิเศษบางทีผมไม่ได้กลิ่นเอาสิ้นเลยคุณเธอก็บ่นว่าเหม็นจนแทบทนไม่ได้นี่ยังดีนะครับที่ลมมักจะพัดจากหลังบ้านออกไปหน้าบ้านถ้าวันไหนลมหวนกลับทิศแล้วก็ผมต้องหนีไปอยู่ที่อื่นสักพักใหญ่ๆจึงจะกลับบ้านได้ไม่ใช่ผมเหม็นขี้แมวที่ลมหอบเข้าบ้านมานะครับแต่ผมขี้เกียจฟังแฟนผมบ่นเป็นหมีกินพึ่งต่างหากคุณเธอเน่ะ บวมถึงกลิ่นขี้แมวจนกว่าลมจะเปลี่ยนทิศนั่นทีเดียวมากบ้างน้อยบ้างตามกําลังแรงของลมผมไม่รู้จะทําอย่างไรก็ได้แต่หลบออกนอกบ้านไปเป็นพักๆสําหรับคนข้างบ้านดูเขาพยายามจะเข้ามาคุยกับผมอยู่เหมือนกันแต่พอเจอหน้ากันจังๆเขาก็หลบหน้าผมทุกทีผมว่าเขายังกลัวผมจะเอาขี้ป้ายหน้าเขาอยู่นั่นแหละเรื่องอะไรผมจะเอาขี้ไปป้ายหน้าเขาหรอครับเสียดายแย่เลยสู้เก็บไว้เป็นปุ๋ยก็ไม่ได้ อย่างไรก็ดีจนล้าจนรอดผมกับเขาก็ยังไม่เคยได้คุยกันดังนั้นเรื่องจะญาติดีต่อกันคงต้องพักเอาไว้ก่อนหลายวันผ่านไปจนถึงวันหยุดอีกครั้งหนึ่งผมสลืมสลือตื่นขึ้นจากการที่ได้ยินเสียงคนคุ้นเคยกันอยู่หน้าบ้านล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วพอเดินออกมาดูจึงเห็นว่าเป็นแฟนผมกับมหาสนันกําลังสนทนากันอยู่ผมกลับเลยนะพี่สวัสดีครับ มาหาสนันยกมือไหว้ผมและขึ้นมอเตอร์ไซค์ทำท่าจะรีบกลับซะอย่างนั้นเฮ้ย hey, มาตั้งนานแล้วเพิ่งมาทำเป็นรีบกลับยังไม่ทันมีเรื่องกันเลยผมหยอกเขาเล่นอยู่รอมีเรื่องก่อนสิผมหยกต่อมาเอาของจากบ้านพี่สาวไปให้แม่นะพี่พอดีเจอเจ๊อยู่หน้าบ้านเลยแวะคุยด้วยป่านี้แม่รองเงี้กแล้วผมกลับเลยดีกว่าพูดจบก็หันหัวมอเตอร์ไซค์กลับสตาร์ทเครื่องและออกรถไปจากบ้านผม พี่สาวของมหาสนันเช่าบ้านอยู่ถัดจากบ้านผมไปไม่กี่หลังห้องเช่าของมหาสนันและแม่ของเขาก็อยู่ห่างจากแถวนี้ไม่มากนักทั้งเขาและแม่ของเขาจึงมักแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนแถวนี้อยู่เสมอทําให้ครอบครัวของเราทั้งสองค่อนข้างสนิทกันเป็นพิเศษมหาสนันยังชอบเรียกแฟนผมว่าเจ๊จนติดปากทั้งที่ความจริงอายุเขามากกว่าแฟนผมทั้งหลายปีแล้วมหาเขามีธุระอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมหันไปถามแฟนผม ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกพี่คุยกันเรื่องขี้แมวนี่แหละพี่นี่ก็ไม่ไหวเหลยคุยกับพี่มาหาแป๊บเดียวก็เรียบร้อยละพูดจบแฟนผมก็เดินกลับเข้าบ้านก่อนเข้าประตูยังไม่ไายหันมาสาทับไว้กับผมอีกเก็บขี้แมวซะด้วยละ่ะพูดจบจึงเดินเข้าประตูบ้านไปผมเก็บขี้แมวและรดน้ำตน้นไม้ตามปกติมาหาสนั่นคงมีอุบายดีๆอะไรสักอย่างมาบอกแฟนผมให้คลายหงุดหงิดจากกลิ่นขี้แมวเป็นแน่ดีเหมือนกัน ผมจะได้ไม่ต้องฟังคุณเธอบน่นเวลาลมหอบกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้าบ้านผมอยากรู้จังว่ามหาสนันบอกอะไรแฟนผมผมถามเจ้าหล่อนจะได้เด็ไล่ให้ไปถามมหาสนันเอาเองสวันผ่านไปผมถึงเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติไม่มีขี้แมวให้ผมเก็บมาสามวันแล้วนับจากเช้าวันที่มหาสนันแวะมาหาที่บ้านสนามญ้าหน้าบ้านผมไรว้วีแววของขี้แมวให้เห็น พยายามหาดูว่าท่านแมวย้ายที่ปลดทุกข์ไปมุมไหนของบ้านหรือเปล่าก็ไม่มีนี่เธอสองสาวันนี้เธอเห็นขี้แมวบ้างไหมผมถามแฟนผมไม่เห็นมีนี่พี่ไม่มีขี้แมวก็ดีแล้วนิ่านะพี่ถามทำไมผมไม่ได้ตอบอะไรออกไปหากบอกเธอว่าผมคิดถึงขี้แมวเดีย๋ยวจะกลายเป็นชนวนข้อพิพาทของครอบครัวไปซะอีกคงเป็นเพราะคาพูดของมหาสนันแน่แน จึงมีผลทําให้ขี้แมวหายไปจากบ้านผมได้หรือมหาสนันจะยุให้แฟนผมจับแมวไปเชือดทิ้งเสร็แล้วก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่ได้เห็นเจ้าแมวขาวข้างบ้านมาหลายวันแล้วเหมือนกันหรือจะเป็นเจ้ามหาสนันนั่นแหละที่เป็นฆาตกรหลายวันเนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเลยคงหลบหน้าผมอยู่เป็นแน่ผมมั่นใจในข้อหลังนี้มากกว่าเพราะแฟนผมคงใจไม่ถึงพอที่จะฆาตกรรมแมวได้หรอกแต่มหาสนันเองก็ธรรมะธโมะสูงอยู่ไม่ใช่น้อย จะฆ่าแมวทั้งตัวได้เชียวหรอเขาว่าฆ่าแมวเหมือนฆ่าเนียนชุนนะจนวันเนี้ยความอดทนของผมก็เป็นอันถึงที่สุดผมดักรอมาหาสนานอยู่หน้าห้องเจ้านายของเขากะว่าสายๆเขาต้องมาเอางานให้ลูกพี่เขาเซ็นแน่ๆวันเนี้ยยังไงต้องถามให้รู้เรื่องคนอะไรจะใจดําถึงขั้นฆ่าแมวได้ลงคอรออยู่สักพักก็เห็นเขาเดินขึ้นบันไดามาผมตรงรีบเข้าไปหาเขาทันทีมาหา หยุดคุยกันแป๊บหนึ่งก่อนผมทักและฉุดเขาออกจากโถงบันไดที่มักจะมีคนพลุกพล่านมีอะไรด่วนไม้มพี่ขอเอางานไปให้หนายเซ็นก่อนเดี๋ยวค่อยมาออกมาคุยกันมาหาดูรีบร้อนกว่าปกติไม่ได้เอ็งต้องตอบข้าก่อนว่าเอ็งฆ่าแมวทําไมผมยิงคําถามที่อัดอั้นมานานกะว่าไม่ให้ได้ตั้งตัวกันละทีเนี้ยแมวอะไรที่ไหนกันพี่ยุงสักตัวยังไม่ตกมาหลายปีแล้วมาหาสนันปฏิเสธเสียงหลง ถ้าเองไม่ได้ทําและใครทําอย่างนั้นก็ไม่พ้นเองอยู่ดีนั่นแหละเองใช่ไหมที่กล่อมแฟนข้าให้เอาแมวไปเชือดผมไล่เบี้ยต่อยัง ไ, ไงวันนี้ผมต้องไล่มาหาสนันให้จนกลางกระดานให้ได้โอ้ยพี่ผมจะไปกล่อมเจ้ให้ทำบาปทํากรรมแบบนั้นทำไมพี่ใจเย็นๆก่อนดิทําไมพี่ถึงคิดว่าผมหรือเจ้เป็นคนฆ่าแมว ล, ล่ะพี่ก็แมวขาวข้างบ้านฆ่าไงมันหายไปตั้งแต่วันที่เองไปบ้านฆ่านั่นแหละถ้าไม่ใช่เองที่ยุแฟนข้าก็คงเป็นฝีมือเองเอ ง, เองใช่ไหมละ่ะ ยอมรับมาดีๆท่นนะอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรคืออย่างนี้นะพี่วันนั้นนะ่ะแวะไปคุยกับเจผมเห็นเจให้แก บ, บ่นเรื่องขี้แมวผมก็เลยช่วยจัดการให้มาหาสนันเริ่มคลายออกมานั่นไ ง, น, ง, น, งนั่นไงบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าเองจัดการยังไงผมเรง่งผมก็เข้าไปคุยกับคนข้างบ้านพี่นะสิผมเข้าไปบอกเขาว่าแมวบ้านเขาอ่ะเข้ามาทําธุระบ้านพี่ทุกวันเลยยังพามาดูหลักฐานที่บ้านพี่ด้วย เข้าไปคุยขอบคนข้างบ้านผมพูดงน้ำเดยลําคอเขากอโทษกับพอ่อใหญ่เลยนะพี่มหาสนั่นพูดต่อเขาไม่เคยรู้เลยว่าแมวของเขามาสร้างความเดือดร้อนในบ้านพี่เขารับปากจะดูแลแมวของเขาอย่างดีไม่ให้ก่อเรื่องอีกเขายังบอกอีกนะพี่ว่าสงสัยเพราะเรื่องขี้แมวนี่แหละมัง้งจะเข้าไปคุยกับพี่ที่ไรพี่ทำหน้าเหมือนอยากเอาขี้ป้ายหน้าเขาซะทุกทีปะผมไม่มีคำพูดจะกล่าวได้แต่มองหน้ามหาส น, านั่น นิ่งอยู่อย่างนั้นพี่นี่ก็แปลกคนนะทนเหม็นขี้แมวอยู่ได้ตั้งเป็นเดือนมาหาสนันบนก่อนเดินจากผมไป